ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านพุกฟังทั้งหลายแต่ลมประวติยานกำลังเล่ามาถึงตอนที่พระเจ้าเสด็จจะริกไปจนถึงอิสิปัตนะมริกทายวันแล้วมาขยายความเรื่องอิสิปัตนะที่ตั้งสามวันเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อีกหลายๆเหตุการณ์ จริงความหมายตรงนี้สามารถจะขยายออกไปต่อต่อไปได้อีกเยอะนะฮะไปเชื่อมโยงกับเหตุเหตุหลายๆลเพื่อนเดี๋ยวองค์ธรรมในเราจะไปเจอไปโดยลำดับก็เสด็จไปจนถึงอิสิปฏันะพระปัญวคีมองเห็นพระผู้มีพระภาค เ, เสด็จมาแต่ไกลก็เกิดไม่พอใจนะฮะเกิดไม่พอใจก็เข้าใจผิด ว่าท่านโกรธมากนะฮะลองนึกดูว่าท่านคาดหวังเอาไว้อย่างท่านัญญากรัญญยายเนี่ยไปตั้งความหวังไว้กับเจ้าชายจิตตถ า, านินานเลือเกนะินสามสิบห้าปีก็เกือบสามสิบห้าปีเด็กไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ว่าท่านความคิดในลักษณะยึดโยงอันนี้คืออันตรายความคิดในแนวยึดโยงเนี่ท่านเรียกว่าอิดาเมวสัจจังโมขะมันยังอย่างนี้ท่านนั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้อง แล้วก็กลายเป็นการยึดติดกลายเป็นอุปาทานเป็นลักษณะของที่ว่าทิศถูกปาทานนะฮะถือมั่นโดยอำนาจความเห็นแต่ว่าไม่ได้พิสูจน์ตรวจสอบว่าความเห็นลงนั้นมันจะถูกต้องจริงหรือเปล่ามันมีตัวอย่างไหมว่าที่เราเห็นอย่างเงี้ยมีตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จไหมบางทีมันก็เล่าเป็นปรำประลานะฮะคือสืบต่อกันมาเฉย อันนี้คือหยุดอ่อนแอของมนุษย์คือบางทีเนี่ยไปไปเชื่อในเรื่องเหล่านั้นง่ายแล้วก็จริงไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรโดยสัาไปนะที่เราไปปักใจฝังใจไปเชื่อมั่นเอาเนี่ยไม่รู้วสิ่งนั้นคืออะไรโดยสักไปคล้คล้ายกันนรกสวรรค์เนี่ยฮะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อผีสางเทวดาถามผีสางเทวดาคืออะไรไม่รู้ล่ะ ก็เราไม่รู้อะไรแลยไม่ไม่ไปไม่เชื่อได้ยังไงเรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่อยู่ที่ใครเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่มีหรือไม่มีมันเป็นกระบวนการของกรรมและสังสารวัฏมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนเชื่อหรือไม่เชื่อสมมติว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีแต่ถ้าเขามีก็คือเขามีทีนี้ถ้าเขาเชื่อหมดว่ามีแต่ถ้าเขาไม่มีก็คือเขาไม่มี ความเชื่อของมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเช่นสมมติว่าเนี่ยพระเจ้าสอนว่าความแก่วความเจ็บความตายการพรัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนไม่เชื่อหมดถามว่าหยุดแก่ได้ไหมหยุดเจ็บได้ไหมหยุดตายได้ไหมหยุดการพรัดพรา ก, กได้ไหมมันก็ไม่ได้คนเชื่อหมดจะหยุดได้ไหมก็หยุดไม่ได้เหมือนกันแต่สามารถจะหาประโยชน์ได้ แล้วจะไม่สะดุง้งสะเทือนไม่หวั่นไหวหไปตามความแก่วความเจ็บความคลายการดพดพลาที่บังเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาใจท่านก็จะไม่ฟูไม่แปรไม่เดือดร้อนเห็นไหมว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยบางทีมนุษย์ประเมินสถานะตัวเองสูงเกินไปะคล้ายๆกับถ้าตัวเองไม่เชื่อแล้วในสิ่งนั้นต้องไม่มีไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะคือถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยบางอย่างเนี่ย บางอย่างนี่เราคิดในแง่มุมของของประโยชน์ที่เราจะได้สมมติเราเราไม่เชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องนรกสวรรค์กับเชื่อเนี่ยถามว่าอะไรมันได้ประโยชน์มากกว่ากันคิดแบบสมมติฐานก็ได้สมมติว่าผ ล, ผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ก็ไม่มีคนมันไหลไปตามกระแสกิเลสมันก็ทำสิ่งที่เป็นบาปมากกว่าเป็นบุญ อา้าผลบุญผล บ, ญบาปไม่มีนโลกสวรรค์ไม่มีแต่เราย่ำแย่แล้วในสังคมปัติบนันเราก็แย่แล้วมันมีข่าวคราวให้เห็นที่คนปร ะ, ปร ะ, ประกอบปัจกิริยการส่วนใหญ่เนี่ยเขไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคนโทษนงแต่ถามว่าเขาได้รับความเดือดร้อนไหมก็ยอยู่สบายดีไหมที่ไปอัดกันอยู่ในคุกก็ เ, เห็นกันชัดๆนะนั่นก็แสดงว่าถ้าเขาไม่ทําชั่วเนี่ยเขาไม่ติดคุกหรอกก็ไม่ทําชั่วเนี่ยมันก็ถูกวิสามันฆาตรกรรม ทีนี้ถ้าผลบุญพ้บาปมีนรกสวรรค์มีพวกนี้ก็ตกนรกด้วยชาติปัจจุบันก็เดือดร้อนชาติหน้าก็ตกนรกด้วยแล้วปัญหามันได้อะไรขึ้นมาจากการไม่เชื่อมันไม่ได้อะไรอะ่ะมันหาทางให้ตัวเองเดือดร้อนเฉยๆแต่การเชื่อในเรารู้ว่าทําดีเป็นเหตุแห่งสวรรค์ทําชั่วเป็นเหตุแห่งนรกเราก็ยามทําดีเอาแหละนรกสวรรค์ไม่มีสมมุติว่านรกสวรรค์ไม่มี เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนในชาติปัจจุบันเราก็อยู่ดีมีสุขละทีนี้ธนารกสวรรค์มีละ่ะเราก็เกิดในสวรรค์โดยในชาติหน้าโดยเห็นไหมมันมันมันตรงตรงนี้โดยพื้นฐานของสมมติฐานเราเองเนี่ยการเชื่อตามหลักที่ท่านแสดงไว้ก็ดีกว่าไม่เชื่อเรื่องมันต้องรู้กำลังมนุษย์เองเนี่ยต้องรู้กำลังตัวเอง ว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุผลของอะไรอย่างพวาพิญญาติว่ามันเป็นผลของสมาธิของฌานนะฮะเพราะถ้าต้องการพิสูจน์มันก็ต้องคุณเจริญฌานสิคุณได้ฌานอย่างนี้คุณคุณก็สามารถพิสูจน์ได้ก็ทำนองคล้ายๆกับคนไปยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็เห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ไกลลิบๆเลยแล้วลงมาบอกคนข้างล่าง จุดที่เขายืนในสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาเห็นนะเพราะฉะนั้นแต่เราต้องการพิสูจน์ก็ต้องไปยืนในจุดเดียวกันแล้วก็มองไปในทิศทางเดียวกันเห็นไม่เห็นค่อยว่ากันหรือไม่งั้นก็เชื่อตามที่ท่านบอกมันไม่มปีประตูที่สามให้ออกมันออกไปได้สองประตูเท่านั้นเองคือเชื่อหรือพิสูจน์ หลักการในศาสนาเป็นอันมากนะฮะที่เรายังไม่มีโอกาสพิสูจน์แต่ก็มีคนพิสูจน์เยอะนะเพียงแต่เราไม่ได้พิสูจน์เท่านั้นเองคนที่พิสูจน์เนี่ยเขามีปัญหาอะไรเราลองสังเกตว่าครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างแน่ใจนะว่าท่านได้บรรลุอะไรมาบ้างเนยใครไปถามเรื่องนรกสวรรค์ท่านก็ยิ้มท่านไม่อธิบายเพราะอะเพราะอธิบายไปก็ไม่เชื่ออีกไม่เชื่อก็ไปด่าท่านด่าท่านก็บา กส่วนมากเนี่ยจะไม่ตอบจะมีที่ตอบกล้าหารจัญชายอยู่ในเห็นอาจารย์บัวนะฮะก็ตอบกล้าหารจันชายดี บ, บ, บุญมีนรกสวรรค์มีให้เชื่อลงตาเถ้าลงตาแก่แล้วก็ เ, เชื่อพระพุทธเจ้านะนะั่นนะฮะแต่จริงก็ให้เชื่อตามที่พระเจ้าทรงรู้เห็นมาทีนี้ท่าทีของปัญญวิคีเนี่ยมันเป็นท่าทีที่ปากใจเอาไปเลย คือไปเชื่อมโยงกันระหว่างการจัดสรู้กับการทรมานร่างกายเนี่ยว่ามันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะกันเห็นไหมว่าการจัดสรู้เกิดขึ้นโดยการทรมานร่างกายถ้าไม่ทรมานร่างกายจะไม่ได้จัดสรู้และการผูกโยงในลักษณะนี้ความคิดแบบผูกโยงในลักษณะเนีมบบนเน้มันจะเป็นอันตรายมันแม้แต่ความคิดของยุคหนึ่งที่คีบอกว่า อยากจะรวยก็ต้องโกงนะถ้าไม่โกงก็จะไม่รวยอันนี้เคยเจอด้วยด้วยด้วยหูตัวเองนะแล้วก็ถามเองด้วยเนะียถามว่าพูดจริงหรือพูดเล่นแกบว่าพูดจริงอาจารย์พูดจริงเดี๋ยวนี้มันต้องโกงถ้าไม่โกงไม่รวยละปัญหาว่ารวยแล้วนี่สบายดีเลยเห็นว่ารวยแล้วก็กินข้าวทีละขำเหมือนเดิมนั่งเท่าที่ก้นมันแผ่ไปถึงยืนเท่าที่เท้ามันเหยียบไปถึงเท่านั้นเอง แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเล็กกว่าโลงนะะใหญ่โตยังไงก็ไปเล็กกว่าโลงแต่ว่าคนเหล่านี้พร้อมจะทำชั่วเพื่อให้ตนรู้สึกว่ารวยแต่ปัญหาว่าทรัพย์สมบัติแล้วนั้นเป็นของใครบางทีก็ถูกยึดเห็นไหมมือระดับประธานาธิบดียังถูกยึดทรัพย์เลเราเป็นใครถาาว่าได้มาในทางทุจริตมันก็ทรัพย์นั้นก็ปีปนาาไป ด้วยราชฎรภัยด้วยอักคีภัยด้วยโจรภัยด้วยทายาติด้วยอะไรต่รางๆเนี่ยมันก็อยู่ไป่เยอะอันนี้เห็นไหมการผูกโจงแล้วไม่ได้มองในจุดอื่นว่าคนเยอะที่เขารวยเนี่ยโดยเขาไม่เึยโกงเลยก็ทํามาหากินในความซื่อสัตย์สุจริตแนวผูกโยงจึงเป็นอันตรายอย่างวิกฤตศรัทธาที่มีต่อ น, นักการเมืองเนี่ยคือถ้าเรามองใอนความยุติธรรมนะ คนการเมืองเนี่ยโดยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเป็นคนที่รักมนุษยชาติเนี่เป็นคนที่มีน้ำใจรักชาติบันเมืองเสียสละเพื่อต้องการจะใช้นี่แผ่นดินรับใช้ชาติบันเมืองแต่มันมีแกะดําธรรมดาในฝูงแกะทั้งฝูงนั้นมันต้องมีแกะดําในธรรมดาแต่บาส่วนมากเราไปผูกโยงผูกโยงคล้ายๆกับนักการเมืองเนี่ต้องซื้อเสียงต้องโกงต้องหลอกลวง ทีนี้ภาษาพนิษฐานไ่อย่างนั้นเนี่ยมันการให้เกียรติการยกย่องการยอมรับนับถือสถานะของกันอะไรกันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อลองดาบางงูบางครั้งบางคราวรัศดรมาขอร้องรัฐบาลมาขอร้องรัฐมนตรีมาขอรอ้รร อ, รองอะไรครูเขายังเป็นขี้ข้าใต้ถุนบ้านแต่ข้อควบคุมครูเขาด่าว่าเขาเลาใช้คำหยาบคายต่างๆเนี่ย เพรา ะ, ะรเลยพวกเราสะสมจิตสันดานเรามามองเห็นคนอื่นเป็นคนเลวแล้วเราก็ใช้วิธีเลวเดียดกับเขานั่นคือคือคือความคิดลักษณะผูกโยงแล้วก็เกิดวิกฤตศรัทธาสถาบันการเมืองมันพัฒนาไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไปเกิดไปเหมาหลในลักษณะอย่างนี้นแต่เรายุติธรรมนะฮะเรายุติธรรมกับเขาจริงๆเนี่ยมันมีไม่เท่าไหร่หรอกที่ชอบโกง ม, มันมีมันไม่ใช่ไม่มีแต่มีไม่มากหรอก มีเยอะในนการเมืองยิ่งนังการเมืองยิ่งจนโดยเฉพาะที่ประเทศอินเดียเนี่ยฮะคันธีก็ดีเนรุก็ดีอินดิราก็ดีเนี่ยราเชนประสาทก็ดีกฤตตนาอะอะไรละ่ะท่านกิตตนาอนัทอะไรแต่เนี่ยราทากิตตาน่ะราทากิตตนาน่ะมันี่ยิ่งจนเงินนะเสร็จแล้วก็ตายไปก็ทรัพย์สมบัติก็มอบไปแก่แผ่นดินหมด เยอนการเมืองยิ่งจนในรูเป็นมหมาเศรษฐีนะเล่นเกยเมืองยิ่งจนเลยก็มีเยอะคนบ้านเราก็มีเยอะเลยนี่คืออะไรแต่ว่าสังคมกลุ่มหนึ่งมันเอาไปปลูกโจงเราลองสังเกตถ้าพูดรับหลังแล้วไม่ค่อยให้เกียรติเท่าไรในขณะเดียวกันตัวเองก็เรียกร้องศักิ์ศีของความเป็นมนุษย์นะสิทธิเสรีภาพยอมรับการคุ้มครองแล้วก็ซื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ให้การคุ้มครอง เห็นไหมว่าโดยมันญาติเนี่ยคือเวลาสัมภาษณ์เวลาอะไรแต่ใดกันนะการเมืองที่บางทีก็มีตําแหน่งอยู่นะฮะโดยพระโรมราชวงการเนี่ยอย่าลืมมันตาแหน่งมาโดยพระโรมราชวงการแล้วการเป็นของเขานี่มาด้วยเสียงของประชาชนเนี่ยไม่ได้มาลอยลยที่เราก็ชี้หน้าก็ชเฉยๆบางทีก็ปากกาชี้บางทีก็นิ้วชี้นั่นคืออะไรคือลึกๆเนี่ยเราสะสมสะสมความรู้สึกไม่ยอมรับ ในยมรับปกตีเสมอจนถึงดูลมินแล้วผลท้ายเป็นปัญหาว่าจิตใจเราก็ไม่ค่อยปกติแล้วไม่มีเหตุผลเพราะว่ามีเรื่องเป็นมากที่เราพิสูจน์ไม่ได้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะเพราะงั้นในความเป็นมนุษย์ที่เราต้องยอมรับความเป็นมนุษย์ขก่อนแล้วอย่างอื่นก็ค่อยว่ากัน ระนาใหญ่ของท่านปัญจวัคคีย์เพราะงั้นพอเมื่อท่านปักใจอย่างนั้นเนะีพอพระพธิสัตว์ท่านเปลี่ยนเป็นการจะพรมารร่างกายมาบำเพ็ญบเพ็ญเพียรทางกษษิจตเลิดเลยนะหัวใจแตกสลายเลยห น, ะนีก็จุดกระจิงเลยนหะนีแบบตัดเป็นตัดตายคือถ้าเรามองจริงๆนะว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพระญาณ อย่างรู้ขนาดนั้นนี่ซื้อพาตัวไม่ไหวแลอกมันตั้งสองรอยกว่ากิโลอะคือเครื่องมือสื่อสารโทรค ม, มนาคมมาเลต่ลรข่าวคร า, าวต่างๆนี่มันจะสืบยากมากเลยแต่นี้พระเจ้ากําหนดพระไทยจะรู้ก็รู้นะฮะเพราะสงสัยโดยที่ไปจากสุส่งรู้โดยพยายามไม่ได้แปลงอะไรจะท้ายคนอื่นหานี่อย่าลืมมาสองร้อยกว่ากิโลเนะและ้วบ้านเมืองมันก็มากด้ยป่าเขาลรานองไพรไม่ใช่เรื่องสนุก เพราะในความความปฏิกริยาที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าในี่แทนที่จะดีใจคนโกรธคนโกรธมันก็มีความรู้สึกในทานองดุมีแล้วก็พูดจาก็นในทานองที่เรียกว่าขาดความเคารพคืออคารวะตท่านบอกว่าพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มากมาก ใช้คําแรงนะฮกลายความเพียครกลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากก็ถือว่าการที่พระพุทธเจ้าเสวยปกยาหารหรือพระโพธิสัตว์เสวยปกยาหารคราวนั้นนะเป็นผู้มากมากกลายความเพียรเวียนมาเพื่อความมากมากกินข้าวเนี่ยฮะก็ยังหาว่ามากมากโดยในความรู้สึกของแกมันต้องต้องหิวอะ่ะต้องทรมานร่างกายจนกิเลสมันแห้ง เป็นความคิดที่ผิดพลาดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยกายกับจิตนเนี่ยอิงอาศัยซึ่งกันและกันกายกระสับกระส่ายนั้นจะให้จิตสงบไม่ได้กายต้องสงบก่อนนะฮะจิตจึงจะสงบเพราะถ้าจิตกระสับกระส่ายแล้วกายจะสงบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้กายกระสับกระส่ายจิตสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้ เันเวลาเราพูดถึงความสงบที่ปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วก็สัมผัสได้ตลอดเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้สันตะก า, ายโยสันตะตัวโยสันตะมอนมันสงบหมดกายก็สงบปัจจาก็สงบพระไทยก็สงบเมื่อสงบที่จิตทุกอย่างก็สงบแต่ทีนี้ถ้าจิตไม่สงบเนี่ยกายก็ไม่สงบการมองเพียงตัดสิน เห็นไหมเป็นลักษณะการมองคนโดยใช้มาตรฐานของตัวเองในแนวที่เราพูดว่าอัตวิสัยนะคือหมายความว่าถือว่าความเห็นของตัวเป็นการถูกต้องใครที่ไม่ทำอะไรตามที่ตัวคิดว่าถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องเวล น, นี้มีคนเยอะนะคนเยอะที่คิดอย่างนี้แล้วก็เป็นปนัญหาเอามากมากเลยบางทีเนี่ย ข้อมูลทางวิชาการเด็ยก็ศึกษาก็เรียนจบมาผ่านการวิเคราะห์วิจัยมาเรียบร้อยเลยนะเช่นโครงการใหญ่ๆทั้งหลายที่สร้างขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยจะได้ประชาบ้านซึ่งไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะก็มาชี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นผิดอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปอุนแรงรู้ก่อนเรียนนะลักษณะคนที่รู้ก่อนเรียนนี่มีเยอะเลย มันก็กลายเป็นปัญหาแล้วก็ใช้ตัวเองเป็นมาตรวัดหมายความว่าถ้าไม่เป็นอย่างที่ตนเป็นก็คือไม่ถูกต้องจะเป็นใด้ถูกต้องก็คือต้องเป็นอย่างที่ตนเป็นเห็นไหมว่าบางคราวความคิดเหล่านี้มันรุนแรงยกตัวอย่างทางการเมืองเช่นระบบประชาธิปไตยกับระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยเห็นนั่นนั่นนั่นคือชัดเจนมาก ว่าประเทศที่เป็นคอมมอนนิสต์เนี่ยมองพูที่เป็นประชาธิปไตยเป็นศัตรูคือไม่เป็นอย่างที่ท่านเป็นไม่เป็นอย่างที่รัฐบาลเป็นคนเหล่านี้ถูกฆ่าถูกทรมานถูกเนรเทศถูกให้หายไปเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยก็เหมือนกันก็ถือว่าต้องเป็นเนี่ยที่ฉันเป็นถ้าไม่เป็นเนี่ยที่ฉันเป็นผิดเลยก็เกิดศึกบ้านเราก็เคยเกิดนะอันนี้คือคือตัวอย่างให้เห็นว่า เราให้ความสำคัญแก่ความเห็นของเราเนี่ยโดยไม่ได้มองไปที่ตรงอื่นโดยว่าที่ระบบอื่นล่ะก็ข้ออยู่กันได้เนี่ยนะก็อยู่กันได้ประชาชนก็อยู่ดีมีสุขหรืออย่างในปัจจุบันที่เราเห่อประชาธิปไตยกันถ้าเราเทียบเคียงเนี่ยเหมือนกับเหยยวยาฝรั่งอ่ะโดยลืมนึกไปว่าโลกมนุษย์มันผ่านยุคสมัยมาเป็นล้านล้านปีแล้ว เอาหนาไม่ต้องออกมากเอาขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่ามียาผรั่งหรือเปล่าคนยุคพระพุทธเจ้าเจ็บคข้ได้ป่วยหรือเปล่าเจ็บคข้ได้ป่วยมีอายุยืนหรือเปล่าอายุน้อยหรือเปล่าเห็นไหมฮก็คนอายุยืนเยอะอายุยืนขนาดสมัยพระเจ้ายังไม่มีเลยทําไปทำหมเนี่ยถามมากินยาผรั่งหรือเปล่ามันก็ไม่ได้กินแต่าทาไมอายุยืนแล้วก็ยาสมุนไพรที่มนุษย์เขามีนี่แหละโรคมันมีถ่ายทอดมาตั้งเออยอะแยะ แต่เราปักใจนะฮะเวลานี้เราจะปักใจมากต้องยาพารังต้องโรงพยาบาล น, นั้นต้องโรงพยาบาล น, นี้นะแล้วก็ต้องแพงๆด้วยเสร็จแล้วเวลนี้ทําไงก็กลับมาหาสมบุญไพรเพราะแนวประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมาะสมับประเทศที่ประชาชนก็แบ่งแยกเป็นคกเป็นเหลา่า ซึ่งจะต้องประสานประโยชน์ต้องเฉลีย่ยประโยชน์ต้องเฉลีย่ยอำนาจต้องเฉลีย่ยผลประโยชน์ต้องเฉลียฉล่ยตำแหน่งเพื่อคนก็อยู่ร่วมกันได้อังกฤษก็มีลักษณะอย่างนั้นเราดูโครงสร้างกันสิพวกประเภท G7 G8 ทั้งหลายลองดูกันสิมันโครงสร้างมาสังคมมันต่างกันแต่ถ้าปกครองด้วยระบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยมันเวลวเลอภาชาติบ้านเมืองมาได้ไงเป็นพันปเปีย มีความเจริญมีความเข้าหน้าอนาป ร, ประเทศก็ใหญ่กว่าปัจจุบันนั้งกี่เท่าอ่ะใหญ่กว่าเกือบใหญ่กว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะรู้สึกว่าตากี่ส่วนนะเอ่อมันมันหายไปตั้งเท่าไหร่ละเกือบนะกเกือบหกแสนน่ะเกือบกแสนตารางกิโลเมตรอ่ะวันมีอยู่ห้าแสน ไอ้ น, นี่ก็คือก็คือแสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นก็ไม่ได้ประชาธิปไตยไม่มีประชาพิจารณ์ไม่มีการเดินขบวนไะทาไมเข า, ขาคนก็น้อยนิดเดียวทำไมเ็าสร้างชาติขึ้นใหญ่โตจะมีความจเจริญรุ่งเ ร, องเรืองได้เห็นฮะแต่เพราะว่ามนุษย์ไปยึดติดมันไม่ใช่เพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอกมนุษย์ไปยึดติดเฉยๆเช่นว่าบางย่บางสมัยเราก็คือต้องเป็นนิกเนี่ย จนจะทันสมัยเป็นห้าเสือเป็นอะไรแต่เวล น, นี้เป็นแมวเป็นได้เราก็ไม่รู้ถามว่ามีความจเป็นอะไรจะต้องเป็นนิกกันหมดเนี่ยทําไมเราไม่เป็นอุตสาหกรรมพัฒนาเกษตรเราให้ดีล่ะหรืออย่างมากเราไปแค่เกษตรอุตสาหกรรมแล้วเราก็กลายเป็นครัวของโลกเลย ชิงกันนําในเรื่องครัวอาหารผลิตอาหารคิดค้นสูตรอาหารประสมอาหารในเมือง ใ, ใครเก่งอยู่แล้วเนี่ยผิดอาหารซ้อมดื่มพร้อมบริโภคนี่อุ่นหน่อยเดียวเข้าไมโครวเวฟ ห, หน่อยเดียวกินได้เข้าตู้เย็นหน่อยเดียกินได้เนี่ยก็ขี้เกียจต่สบายมลพิษต่างๆก็ไม่มากแต่ว่าเราคิดในปักใจว่าต้องเป็นอย่างที่ฝรั่งเป็นถ้าไม่เป็นอย่างที่ฝรั่งเป็นก็ไม่ถูกวันก่อนก็บอกพระใหม่นครับ บรสังเกตนะมครับปุยตายายเรานี่พัฒนาตัวเรามาจนกินข้าวทีละคาแล้วมาอาหารนี่ทําเป็นคําเป็นชิ้นมากินทีละคําเรียบร้อยกินข้าวกินข้าวเรียบร้อยมากอ้าปากก็ไม่กวางไม่กินจับจับไม่กินสุดสุดไม่กินเลียมือไม่กินข้าวหกเรียรัเวลาที่เราหันไปงับเป็นงับอาหารเป็นชิ้นๆเนี่ยการงับอาหารนี่เป็นวิธีของสัตว์นะคร เราย้อนกลับไปงับอาหารแล้วก็ชื่นชมนะฮะมันแบบพรั่งแล้วลองสังเกตนะฮะเด็กเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยเด็กสาวๆเนี่ยเดินดูดไอศครีมเดินกินกล้วยเดินกินอะไรเนี่ยกินขนมเห็นชิ้นๆก็เดินงับเลยเคี้ยวจับจับจับจับเดินไปมันย้อนยุคขนาดไหนแต่เพราะมันอุปทานที่สร้างขึ้นแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันคนก็เพลิดเพลินนะฮะชื่นชมกับการได้เป็นอย่างนี้ เพราะแนวของของพระบัญจวคีเนี่ยที่จริงก็แค่คือแนวยึดยึดติดอย่างนั้นแหะแต่ท่านไม่ได้มองไปดูรอบๆตัวคือมองเฉพาะตรงที่ตัวเองยึดมันมีลักษณะที่เรียกว่าอะไรล่ะโกนกบเกิดอยู่ในสะจ้อยไปเห็นชะเลไกลกลางสมุทรคิดว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำเลือเหลือนี่โครงสร้างความคิดตรงนี้เราต้องใช้ได้ทุกเรื่องนะ เป็ลักษณะของอุปาทานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันมีอยู่ทุกเรื่องถ้าเป็นอุปาทานแล้วก็มีตัณหาฮะมีตัณหาก็มีอุปาทานแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นก็กลายเป็นยึดติตกลายเป็นพบขึ้นภายในจิตกลายเป็นความมีความเป็นอยู่ภายในจิตทีนี้ก็จะถอนอยากเลจะพูดกันเข้าใจได้ยากเพราะนั้นปัญญาวิคีจึงโกรธพระโพ ธ, ธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะโกรธมาก แล้วก็ห น, นีมาทาชีที่แสดงออกก็ค่อนคักเย่ยไม่เป็นมิตรทั้งฟังทั้งหลายแต่รวมประพฤติยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นแนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง อ, อกงามไปบูรณาในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี